คณะสตาญาติโยมทุกทุกท่านก็คงอยากจะทราบว่าหลวงตาวันนี้เป็นยังไงวันนี้ตรงกับวันที่ส0มสิพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ัองค์หลวงตาพวกเราอาการอาภาษณ์นะตัวรายละเอียดคณะแพทย์คงจะซีแจงอีก รอบนึ่งอันนี้หลวงพ่อได้เห็นหรืออาตมาภาพได้เห็นประสุก์ประการประจำวันก็มาชี้แจงถแถลงข่าวให้แก่พวกคณะสัายาติโยมได้รับรู้รับทราบเป็นข้าวๆนะไม่ใช่ชัดเจนนะเพียงแต่ว่าได้รู้ได้เห็นในสายตาแล้วก็มาบอกกล่าวเพราะว่าคณะสัายาธิโยม ที่มาวัดหรือว่าอยู่ข้างนอกก็งคงอยากจะฟังว่าวันนี้หลวงตาของพวกเราเป็นยังไงอาการอาภาษเพราะทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยากจะฟังอาการอาภาษขององค์หลวงตาเมื่อวานหลวงตาก็รู้สึกสดใสนะดูภายนอกดูสึกสดใสแต่เมื่อวา น, นก็แต่มันเกี่ยวเนื่องมาจากวันก่อน คือน้ำในกระเพาะขององค์หลงตายังยังอัดแน่นอยู่พูดง่ายๆนะตามที่หมอบอกกล่าวดูก็ในสายตาแรือว่าเข้าไปอยู่ใกล้ชิดองค์หลงตาแล้วก็ดูๆแล้วก็ลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อวานก่าคณะแพทย์ก็อยากจะดูดน้ำออกจากกระเพาะองค์หลวงตา ลงตาก็เมื่อตอนบาอ่ายลงตาไม่อนุญาตาปวด<อ>ง่ายๆนะลงตาไม่อนุญาตแต่ท่านกบดคณะชาติไทายญาติโยมทั้งฝ่ายหมอฝ่ายพระข อ, อดูดน้ำออกจากกระเพาะขององค์ลงตาเพื่อจะให้ลงต า, าสบายเพราะรู้ืึอว่าท่านแน่นแน่นและก็เหนื่อยแน่นและก็เหนื่อย แต่ท่านก็บอกว่าไม่เอาอหยุดไว้ก่อนนี่แหละขอให้คณะสัายาติยมที่อยู่ข้างนอกครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างนอกก็ดีหรือท่านผู้ใดได้ยินได้ฟังแต่ข่าวก่อนก็ดี ถ, ถึงขณะนี้ก็ดีก่อนที่จะทำอะไรกับองค์หลวงตาต้องกราบแล้วกราบอีกขอแล้วขออีกถ้าหลวงตาบอกว่าไม่เอาอหยุดไปถ อ, อย พวกเราก็ล่นถอยแต่คือเมื่อวานนะ <c oughs> แปลว่าหลวงตาบอกแล้วไม่เอาแต่ทีนี้พอพวกคนณ ะ, ะหมอไปแล้วหรือว่าพวกเราถอยออกมาแล้วนะก็นั่งดูดูดกับกิริยาหลวงตาหลวงตาท่านบอกว่าเราไม่อยากจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเราอยากจะอยู่ตามลําพังเราจะอยู่แบบสงบสง บ, สงบนี่ฟังดูสิ ปฏิปทาของหลวงตาเนี่ยเกินร้อยวันนั่นความเด็ดเดี่ยวของท่า น, นหลวงพ่ออาตมาภาพได้เห็นแล้วท่านไม่ดูคล้ายๆกับแสดงความเข้มแข็งให้คณะสิทธ์ทุกหมู่เหล่าให้ได้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคณะแพทย์ก็เคยทำกับคนไข้ามาไม่รู้ว่าเท่าไรต่อเท่าไรพอมาเจอกับองค์หลวงตาเข้าทั้งนี้ก่อไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกั น, น วิชาแพทย์วิชาหมอที่ได้เรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับคนไข้คนป่วยเอามาใช้กับลุงตาไปว่าไม่ได้ผลมั้งงั้นแต่ผลง่ายๆนะอไม่ได้ผลอแต่ทางลุงตาต้องเปลี่ยนธรรมนะท่านหมอท่านพิจารณาของท่านเองท่านบอกว่ า, วาอย่ามายุ่งกับเรานะเราต้องการความสงบเอเราต้องการอยู่ตามลําพังเอแต่ไหนแต่ไรมาเราต้องการอยู่ตามลําพัง ดูดูด้วยความสงบอันนี้ก็อยากจะเตือนคณะพวกเราคณะสิทธิ์ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาดทุกทุกท่านที่เขาไปเกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาถ้าท่านผู้ใดไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาก็ควรจะลงมานั่งข้างนอกพอมองเห็นหก็จะดีหรือว่ากาตพิจารณ า, นานตามเรื่องอย่างเป็นของอย่างเป็นพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้ามีผู้มานั่งล้อมรอบอยู่หลวงตาท่านก็มองเห็นคนแล้วก็ท่านก็คงจะไม่หลับพักผ่อนไม่ได้เพราะเหตุลไยเพราะว่ามันคขนมันมากแล้วก็นี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ดีทั้งฝ่ายครวัตญาติโยมก็ดีถ้าเข้าไปกราบองค์ท่านหรือว่าห้ามท่านแล้วหรือว่ามีผู้ห้ามในห้ามแล้วก็ขอให้ฟังฟังอย่าไปเสียใจเพราะว่า พวกเราก็ได้กราบองหลวงตามามากต่อมากแล้วในช่วงนี้ถ้าจะว่าไปคือหลวงตาลดหลวงตากําลังเข้าอู่น่นนะเข้าอู่ซ่อมนะพวกเราก็อยากเข้าไปรบกวนไปรบกวนให้้หช่างหรือว่าให้ให้ท่านซ่อมเครื่องของท่านซะก่อนแล้วพวกเราจงค่อยท่านออกมาแล้วพวกเราจึงเข้าไปกาไปราบไปคารวะเหมือนกับที่ผ่านๆมา อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ขณะที่องค์หลวงตากําลังอาพาธอยู่เนี่ยหมอเขาก็ห้ามเพราะว่ากลัวพวกเราจะบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหวัดเป็นไอแต่ถ้าเข้าไปแล้วไปไอไปจามอยู่ในบริเวณนั้นหวัดไอก็เชื้อหวัดเชื้อไอก็จะเข้าไปติดองค์หลวงตาได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะหลวงตาอ่อนเต็มทนสุขภาพหลวงตาถ้าว่าหลวงตา ทางโรคส่วนอื่นทางลำท้องก็พอแรงแล้วก็ยังมาติดหวัดติดไอจากพวกเราท่านทั้งหลายอีกอันนี้ก็คงไม่เป็นผลดีสำหรับสุขภาพองค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้คณะสิทธิ์ห ล, ลูกหลานทุกคนอย่าไปเสียใจที่มีผู้ห้ามเพราะเจตนานดีโดยกันทางนั้นหลวงพ่อเข้าไปก็ไปเห็น องค์หลวงตาแสดงความเด็ดเดี่ยวอย่างที่ลงอาตมาภาพได้กล่าวนว่าเราต้องการอยู่ตามลำพังต้องการอยู่องค์เดียวต้องการอยู่ตามลำพังแสดงว่าให้ผู้อุปถัมภ์ะ่าก็ให้อยู่น้อยแต่ก็ไม่ให้ขาดเเลยให้มีคณะท า, า, ายญาติโยมกว่าขึ้นไปเป็นบางครั้งแล้วก็กราบเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็มานั่งอยู่ข้างนอกห่างๆแล้วก็มีผ้าม่านปิดอยู่แล้ว ข้างๆหลวงพอว่อทุกคนก็เป็นห่วงองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราปฏิบัติให้ถูกแล้วก็จะไปเสียใจเพราะเราก็ได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะบูชาองค์หลวงตาด้วยการทั้งนั้นแต่คราวนี้องค์หลวงตากําลังต้องการพักผ่อนอยู่ด้วยความสงบๆแล้วก็แพทย์หมอแพทย์หมอคณะแพทย์ ก็ได้ระชุมกันโดยสม่ำเสมอไม่มีการลดลาวาสอกว่างั้นแต่มีอะไรก็ขันหน้าก็ห้างกันปรึกษาเรื่องแพทย์เรื่องหมอหลวงพ่ออาตมาภาพเองนะ่ยมองดูแล้วไม่ขาดตกบกพ่องสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าคณะแพทย์ทกุกทุกท่านมีความเห็นลักษณะเกือบจะเป็นเอกฉันแต่มีความเห็นกันนิดหน่อยแต่ต่างนะ และเอกประฉันคืออะไรคือต้องปฏิบัติต้องรักษาองค์ลุงตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยมากจะมีความเห็นพร้อมต้องกันทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าสาเหตุที่เป็นมานะโรคที่ลงตาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นมาอย่างไงเชื้อโรคยังไงติดเชื้ อ, อยังไงอันนั้นก็ยังหาต้นต่อยังไม่ได้นะแต่ส่วนที่จะรักษานั้นหมอเขารู้ว่าจะรักษาอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าองค์ลงตาท่านเท่านั้นละ่ะ ท่านจะให้ปฏิบัติตามแพทย์ตามหมอหรือไม่แต่ดวงตาท่านก็เป็นเป็นอิสระของท่านเหมือนกันท่านจะให้รับสายอย่างมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเป็นอิสระของท่านในเมื่อท่านห้ามลูกศิษย์ลูกหาหมอทุกระดับก็ต้องเคารพในความคิดขององค์ลวงตาพอขอข่าวนี้ไม่ได้ข่าวหน้าก็ขอท่านอีกแต่ท่านเบตตาคือเอาปฏิบัติ ได้ทำตามรักษาท่านแต่ท่านท่านไม่ไม่ไม่ยอมเนะพวกเราก็ต้องถอยไม่ไม่ทำเพราะนั้นขอให้ผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้องค์หลวงตาก็ให้ฟังคำของหลวงพ่อนะฟังของคำอัตมาภาพเลยนะอัตมาภาพเห็นกับตาเห็นยังไงพูดอย่างนั้นแล้วก็เมื่อได้รับอะไรได้ทำอะไรลงไปในคณะแพทย พยาบาลก็มีพวงมาลาหรือว่าพุ่มดอกไม้กราบคารวะองค์ล้มตาทุกครั้งที่เห็นเห็นมากจากนั้นยังค่อยลาท่านกลับทำด้วยความเคารพทําด้วยความหวังดีจริงๆไม่ได้ทําแบบใช้วิ ช, ชาแพทย์วิ ช, ชาหมอแบบทําแบบตามหลักการของหมออันนี้ทำรับตามหลักการพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ หลวงตา เ, เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกตั้งเป็นทั้งพ่อทั้งแม่และก็ครูบาอาจารย์พ่อแม่อย่างที่อาจรมาภาพได้พูดเมื่อวานพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงร่างกายเป็นผู้ให้กาเนิดผู้ให้ร่างกายแก่พวกเราแต่องค์หลวงตาให้ธรรมะ เ, เป็นพ่อแม่ให้ธรรมะให้ความรู้ความฉลาดให้ความรอบคอบสอนกระทั่งทีว่าจะทาให้ทำยังไงจิงม จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารหลวงตาสอนพวกเราทั้งหมดเปิดฟังเมื่อเวลาใดเปิดธรรมะหรือหนังสือของท่านองค์หลวงตาเมื่อไหรเล่มใดโดยมากสอนพวกเราทั้งนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อหลวงตาสอนแล้วบอกแล้วให้ฟังและให้ปฏิบัติตามด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย คณะสัต ย, ยาทายญาติโยมก็คงอยากจะรู้ว่าหลวงพ่ออินเนี่ยอายุเท่าไหร่เกือบเจ็เจ็ดสิบแล้วนะคณะสัต ย, ยาทายญาติโยมทุกทุกท่านนะปีนี้หกสิบหกแล้วเอบวชมาก็นมนานนี่เนี่ยโยมมาโทษเตือนหลวงพ่อหลายๆอย่างเตือนหลายๆอย่างนะเนี่ยลงอาตมาภาพจะบอกให้ฟังน ะ, ะถ้าหาว่าพูดธรรมดาพวกเราก็ คงจะฟังฟังแล้วก็คงจะเลือนลางคงจะลืมเลือนเหมือนกันเลยยกเป็นเป็นป น, นิทานนิทานให้ฟังสักหน่อยนะนิทานนี่ก็น่าคิดนะเอนิทานนี่ก็คือมีคนแก่คนหนึ่งเหมือนกันเถอะอายุเจ็ดสิบพออายุเจ็ดสิบท่านก็ตายฮพ่อตายไปแบบหัวใจวายอย่างนั้นอ่ะตายแบบประทันหั น, นะพอตายไปแล้วท่นีอมบึกนึกโมโหในใจเหมือนกันเถอะพอตายอข้ามันน่าจะตายอย่างนี้ว่ะจากนั้นก็ไป ไปถึงยมโยมมาทูตว่างั้นเอะโยมพบาลยมมาทูตเขาจะมีสองช่องสองช่องทางว่างั้นเถะทางหนึ่งก็งไปสวรรค์ทางหนึ่งก็ไปทางต่ำว่างั้นเถะเหมือนกับเราจะไปต่างประเทศเราจะไปขึ้นเครื่องบินอย่างนั้นน่ะไปขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องเขาก็ต้องไปประเทศไหนก็ต้องไปให้ช่องนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใครจะไปสู่สวรรค์เขาก็ไปทางหนึ่งถ้าไปสุขคติถ้าไปทุกขติเขาก็แยกไปอีกทางหนึ่งแต่ตาแกเนี่ไปทางทุกตินี่ พอไปถึงแล้วกิ น, นึกโมโหในใจอยู่คุดขุนเครืองในใจอยู่ตลอดเหมนกันเอะถ้าเห็นใครแปลว่าจะตำ บ, บันหน้าด่าเลยแล้วงั้นเถอะทีนี้ก็ไปเห็นเขาเอาขึ้นไปหายมมาโทษเธนี่พอไปเห็นหน้าโยมมาทูท่านนั้นอ่ะก็กำ บ, บันหน้าด่ายมมาโทษเลยงั้นเถอะเอาผมมาได้ยังไงไม่บอกไม่กล่าวผมเลยเอามาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับผมอย่างน้อยก็ต้องเตือนผมซะก่อนใช่ไว่าเอาไปยังไงเอามายังไงทีนี้เอามาแบบปุบ ป, ปับ แต่ผมมาแบบปรับเปลเี่ยนโดยที่ไม่บอกให้กล่าวแต่พี่นกองพิ่นากรรมของผมก็มีถึแตะแยะที่ผมจะมอบฝังให้แก่ทายาทและจะมอบมรดกให้ใครต่อใครสั่งเสียใครต่อใครมีตั้งหลายคนมีทั้งเรื่องราวทั้งหลายอย่างเอาผมมาแบบนี้เอามาแบบปุกรับเนี่ยไม่เป็นธรรมสําสหรับผมยมมาทู่ทัานก็ท่านเป็นท่านเป็นกลางเนี่ยท่านไม่กลัวอยู่แล้วทำ ไ, ไม ท่านระยกอะไรไม้ถันะ่วพดวางเปี้ยงลงในโต๊ะงนะั้นอ่ะยาพูดนะอันนี้คือยมมาโทษนะปัลลโลกนะเราเตือนไมูมว่ากี่ครั้งแล้วแต่เธอดื้อด้านไม่ฟังไม่ยองฟังพระนเดชทั้งคุณลุงอายุเจนี่ก็ไม่เห็นท่านเตือนผมเลยอาจจะเตือนคนอื่นก็ได้แต่ตั้งเตือนไม่เตือนผมยมมาโทษก็เลยบอกว่า อายุเท่าไหร่เคยเห็นผมหง อ, อกเคยเห็นหวงขาวเกิดที่หัวของคุณได้เคยเห็นไหมได้สังเกตไหมคนคนนี้อื้งใช่อายุประมาณสี่สิบครับนั่นล่ละเตือนเป็นครั้งแรกต่อมาอีกฟันหลุดเมื่ออายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบกว่าครับนั่นหละเตือนครั้งที่สองแล้วก็ตาฝ้าฟางหูตึงเออเรา่นีย ทำทำยังยังให้หัวล้านอีกต่างหากก็ยังไม่ฟังอีกถ้าหัวล้านขึ้นมาก็ยังเอาผมมาปลูกอีกถ้าผมเขาคอยเอาสีมาย้อมอีกถ้าฟันโุดก็ทำทาฟันปลอมอีกนะเตือนไม่รู้กี่ครั้งแต่คุณเนี่ยรื้อด้านไม่ยอมฟังอันนั้นหละคือเตือนคุณแก่แล้วนะให้ระวังนะต้องหาทางนะต้องหาทางนะ ต้องแสวงหาคุณงามความดีนะอย่าหลงละเลิงนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะตามหลักพุทธศาสนานะเนี่ยอแต่ลนะคุณไม่ฟังนะเมื่อคุณไม่ฟังแล้วจะทํายังไงดื้อด้านอย่างนี้ควรจะเอาลงกระทะทองแดงให้ให้เกล็ดเกล็ดก็แล้วกันไปเอาไปเหมือน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทาหารยมวัฏถูกก็เลยหิว้วไปไปลงกระทะทองแดงเหมือนนั่นแะให้เข็ดเหมือนนั่นะนี่แหละ อันนี้กับพวกเราท่านทั้งหลายนะความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาใกล้พวกเราองค์ลุงตาสอนแล้วสอนอีกสอนพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเน้อให้พวกเราสั่งสมขุนงามความดีเนะ้อให้ทานเนะ้อรักษาศีลเน้อภาวนาเนะ้อเก็บหอมรอมริบใส่กระเป๋าตัวเองนะเน้อตายแล้วไม่สูญหนะ้านี่ลุงตาเคยสอนพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนะ้อที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะสัตว์ทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้มาหรือไม่ได้มากาลคารวะหลวงตาก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างเมื่อวานที่อาตมาภาพได้บอกกล่าวว่าขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานทุกทุกดวงวิญญาณที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาให้ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเราไหว้พระ ที่บ้านก็ดีดูในขณะไหนที่ละลุกลำลึกถึงองค์หลวงตาก็ให้ลำลึกว่าบุญกุศลที่ข้าระเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติมากน้อยถึงปัจจุบันในชาติมากน้อยทั้งมวลประมวลเข้ามาขอให้เป็นพรังให้รักษาสุขภาพอง์หลวงตาให้หายจาก โรคาพญาตให้ดวงตามีพลังมีกำลังแข็งแรงขอให้เป็นร่มโพร่มใสของพวกเราคณะลูกหลานนานเท่านา น, านด้วยเถิน